ก็ได้แต่คิดและฝันมานานอยากจะกระซิบข้างหูด้วยคำคำหนึ่งแต่ไม่เคยทำสักทีก็ได้แต่คิดไม่กล้าทำจริงก็กลั ว, วเธอจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าได้แต่เก็บไว้ในใจ จะไม่สิ้นถึงคำคำ น, นั้นเกรจะไม่เป็นดังฝันต้องเสียน้ำตาได้แต่ทอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าพอ จะมีใจไหมฉันดูไม่ออกแต่เธอช่นดีกับฉันไม่เหมือนเพื่อนคนอื่ น, น, นก็อยากจะกุมมือเทธาไวใ้ใกล้ใจกลัวเธอจะไม่ซึ้งถึงคำคำนั้นครูจะไม่เป็นดังฝันตรงสีน้ำตาได้แต่ทอนใจเก็บเไว้ไม่กล้าพออยากบอกให้ัด ฉันจะเสียใจแค่ไหนจะให้ทำใจยังไงตรงนี้ไปไกลแค่ไหนถึงจะทนได้ขอได้ไหมดวงดาวที่ทำให้ใจฉันไม่ต้องเจ็บขอได้ไหมหเธอมีใจฉัน Mm hmm. ว่ารักเธอแค่ไหนว่ารักเธอมากมายเท่าไรแต่ก็ไม่รู้จะคิดยังไงถ้าเธอไม่รักและฉันจะเสีย